เจ็ดสิบ70ชอบอยากแก้เ e ่วิเลนอเคุณอยากสูบบุหรี่ไหมวิลทูแก้เน่คุณอยากเต้นราไหมวิลท d แก้เ คุณอยากไปเดินเล่นไหม gerne ผมอยากจะสูบบุหรี่ยวิลเกลี่คุณอยากได้บุหรี่ซักมวนไหม gerne เขาอยากได้ไฟแชค็คฮันวิลเกลาวิ Jeg vil gerne drikke noget. Jeg vil gerne have noget at spise. Jeg vil gerne have noget at spise. Jeg vil g e r n a p p e lidt af. Jeg vil gerne slappe lidt af. Jeg vil r n e s r e dig o n Jeg vil gerne spørge dig om noget. ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยฉันอยากช่อยากเลี้ยงคุณฉัอยากเช น, เ น, นคุณจะรับอะไรดีครับ det คุณจะรับกาแฟไหมครับ หรือว่าคุณจะรับชาดีครับ Eller เราอยากจะขับรถกลับบ้าน gerne คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม gerne พวกเขาอยากโทรศัพท์พวกเขาอยากโทรศัพท์